การปฏิบัติธรรมของเรากฎเทศเรื่องอิปัสสนาคือการพิจารณาในอัตภาพตัวตนของเรานี่แหละมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและเป็นไปได้ยังไงในที่สุดแตกสลายไปได้ยังไงเมื่อมีเกิดเป็นเบื้องต้น ก็ต้องมีแก่ต้องมีตายทุกคนเกิดขึ้นแล้วก็แก่ตายถ้านให้พิจารณาดูคือพระพุทธเจ้าให้พิจารณาเห็นความจริงในตัวตนของเราก่อนก่อนที่เราจะถึงบทนั้นจริง ให้เห็นตัวตนของเราเนี่แหละเกิดขึ้นมาจากคันมานดาขอดออกามาเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายตามเพศภาวะก็ค่อยแก่ไปตามลำดับ เ้านี่ก็เป็นเด็กเล็กอยู่เป็นทาลกอยู่ต่อมาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาก็แก่ก็เท่าอายุเจ็ดสิบแปดสิปีก็เป็นคนแก่คนเท่าอายุร้อยปีก็ ไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายจะเก็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เก็บไข้ได้ป่วยก็ต้องล่วงหล่นไปเป็นธรรมดาคือตายไปในที่สุดนี่แหละเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวของเราแต่ว่าความตายมันก็ไม่มาถึงง่ายๆหรอกอืม อ่เหน็นวาชาติในอดีตก่อนน่ะคนเกิดมาอายุอย่างต่ำก็เป็นร้อยร้อยปีสูงสุดก็ร้อยี่สิบปีแต่ปัจจุบันนี้เก้าสิปีถือว่าสูงสุดแล้วคนมีอายุเก้าสิบปีถือว่ามีอายุยืนยาวที่สุดแหละ ให้เห็นให้พิจารณาเข้าไปที่ตัวเราว่าเรานี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปใต้เหมือนกันคนอื่นก็เหมือนกันแหละคนอื่นก็เหมือนกันให้สังเกตดูนอกจากตัวเราคือคนอื่น คนอื่นก็มีการเกิดการแก่การเก็บการตายเหมือนกันผ่านการเกิดมาเหมือนกันถ้าว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเก็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แต่เวลาเราเกิดเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันทุกข์ยังไงเราจําไม่ได้แล้ว แต่ความแก่เราก็รู้รู้บรรทุกอย่างไรบ้างถ้าเราพิจารณาเราก็จะรู้ถ้าเกิดเป็นคนเมื่ออายุกแก่ขึ้นมานะโรคภัยไข้เก็บนั่นนี่ก็ย่อมเกิดขึ้นในระหว่างบ้างเป็นธรรมดา mm. เก็บไข้ได้ป่วยถ้าพอประมาณสถานใดสถานหนึ่งก็ เอออยู่ไปได้พอทนได้กินยากินอะไรแล้วก็หายไปนี่ความแก่เป็นทุกข์นะความเก็บเป็นทุกข์เก็บใครได้ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่ก่อนนี่เป็นอหฮิวานี่ไม่มียารักษาถ้าใครเป็นแล้วก็มีหวังตายทุกคน ไม่มียาแต่ปัจจุวันนี้เป็นอหิวานีฉีดยาป๊อบเข็มเดียวหายเลยหรือกินยาป๊อบเท่านั้นแหละเข้าน้ำเกลือเท่านั้นแหละก็หายล่ละแต่ก่อนมันไม่มียารักษาพอเป็นขึ้นมาก็มีหวังเลยต้องตาย ตายเร็วด้วย24ชั่วโมงท่านตายเล ว, ว, ลวเป็นอหิวาเนี่ย24ชั่วโมงล้วต้องตายน้ำในร่างกายมันหมดไปน้ำในร่างกายหมดไปก็ตายแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีปัญหาเป็นอหิวาเนี่ยไปหาอนามัยเขารักษาได้เลย หมอรักษาได้ทันเลยแต่ปัจจุบันนี้โรคที่รักษาไม่หายก็คือโรคมะเร็งซึ่งก็ไม่มียาไม่รู้จะเอายาอะไรมาใส่กินยาสมุนไพรบ้างกินยาที่หมอจัดให้บ้างฉายแสงทำนั่นทำนี่ให้ ให้หายแต่ถ้าเป็นขั้นที่สามแล้วก็ต้องไปละหมดละรักษาไมห่หายและ้ะต้องตายคือยังไม่มียาเด็ดขาดสำหรับเรื่องนี้ต่างจากอดีตมากโรคในอดีตเช่นโรคท้องอืดตรงนี้ ทานอาหารเข้าไปแล้วท้องอืดพอท้องอืดก็ไม่มียารักษาอีกเลยก็ตายเช่นนายโกตุฮาลิกไปพักอยู่บ้านเศรษฐีเห็นหมาเขาน่ะ กินอาหารโอ้ยอย่างดีเลยใจก็โหเราไม่ได้อาหารขนาดอาหารหมานอย่างก็อย่างดีเวลานั้นเขาอะไร ก, กินมันทูปยาดเมียบอกว่าเชิญพี่กินเถอะพี่หิวมานานนายโกตัวนี้ก็กินเอากินเอาพอตกกัางคืนมาอาหารไม่ย่อย ในที่สุดก็ตายแต่ก่อนตายคิดถึงหมาได้กินอาหารอย่างดีใจไม่ออกจากเรื่องหมาคิดแต่เรื่องหมาได้กินอาหารดีพอตายปั๊บก็เลยไปรอเกิดเป็นหมาไปเกิดเป็นหมาอยู่บ้านนั้นเนี่ไม่มียารักษาท้องอื่นปัจจุบันนี้ โอ้ยพอท้องอืดขึ้นมาก็กินยาธานน้ำขาวตากระต่ายบินหรือกินยาธานน้ำแดงกินเข้าไปไม่ถึงชั่วโมงก็หายแหละอาหารไม่ย่อยอะไรต่างๆก็หายไปแต่ก่อนไม่มียารักษาอาตมาอยู่เัาโยมพ่อ ยมพ่อเป็นโรคท้องอืดกินอาหารแล้วไม่ย่อยปวดท้องมันสมัยนั้นการแพทย์การหมอมันก็ไม่เจริญมันต้องอยู่ในเมืองมันถึงมีหมอรักษาก็จะไปถึงหมอถึงนั่นต้องเดินทางไกลก่จะไปถึงน้องหานเะน่ะ พาหนะที่จะพาไปก็ไม่มีอัตมาก็ไปเอาลากไม้ลากพังคีต้นพังคีไปก็ไม่เห็นทางเดินไปเองไม่ได้เอาควายออกจากข้อแล้วก็ผูกเชือกให้มันพาไป ไม่มีไฟฉายไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ไม้ขีดไม้ขีดก็ไม่ขีดโปกนะ๊กเอาเหล็กกับหินต่อยกันมันก็เกิดแสงขึ้นก็ไม่สำรีแล้วเราจะเอานั้นแหละเป็นแสงสว่างมองดูต้นไม้ก็นั่งหลังควายควายกลางคืนมันเห็นได้มันตามันเห็นมันเห็ น, ม, น, หนมันสว่างมันเห็นทาง ก็นั่งหลังควายแล้วก็ไปไปเอาอยาที่เคยเห็นเคยรู้ไว้ยาแก้ท้องอืดพอไปควายพาไปก็ไปถึงที่มันก็ไปเรื่อยไตายตามหลังคนาไปจนไปถึงที่มีรากพังคีก็ ขีดไม่ขีดขึ้นดูใบมันโอ้อันนี้ใช่ก็ขุดเอาค่อ ย, ค, อยค่อยดึงเอาดึงดึ ง, ด, งดึงเอาลากมันสองสามต้นแล้วก็ขึ้นหลังควายก็กลับไปกันถึงเทียงนากระทมนาก็ล้างให้ดีแล้วก็เอาให้โยมพ่อกิน โยพ่อกินไปประมาณทักไม่ถึงชั่วโมงหรอกอาหายปวดท้องหรือไม่เป็นอะไรนั่นแต่ถ้าเป็นก่อนๆก็คงตายคงไม่หายเพราะไม่รู้ยาแต่นี่เรารู้ว่ายานี่เป็นยาแก้ท้องอืดอยาแก้ท้องอืด กินเข้าไปแล้วก็หายขราวหนึ่งก็เป็นโรคโรคท้องถ่ายเป็นบิดอะไรอัตมาเขเรียกไม่ถูกถ่ายเป็นบิดถ่ายเป็นหมูกเป็นเลือดอ น, นะไม่มียารักษาอีกเหมือนก็นกให้ เอาควายออกมาจากคอกเดินทางคืนเข้ารองหารเอาควายตัวผู้ตัวมันนีกะลังแข็งแดงไม่มีพยานพาหน้าก็นั่งหลังควายไปนั่งไปควายก็เดินไปไปตามทางจนถึงรองหารพอถึงรังหารหมอเขาก็เข้าไปรักษา ตรวฉีดยากินยานอนอยู่คืนหนึ่งก็หายหายแล้วก็กลับมาเนี่ยความแก่เป็นทุกความเก็บเป็นทุกไหมเป็นทุกเราเห็นทรมานพระพุทธเจ้าตรัสไว้มันไม้ผิดหรอกความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความเก็บก็เป็นทุกขความตายก็เป็นทุก ทุกเหล่านี้ใครเป็นคนรับตัวเราเป็นคนรับทุกของคนอื่นก็เป็นทุกของคนอื่นแต่เราก็มีทุกขของเราทุกพ่อเกิดทุกพ่อแก่ทุกพ่อเก็บทุกพ่อตายอืมอันนี้เรกว่าทุกประจําทุกประจํามีกับทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นราชามหากษัตริย์ เนื้อเป็นประชาชนทั่วไปก็ตามจะมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ตามจะมีเงินบาทเดียวสองบาทก็ตามมันก็ได้รับทุกแบบนี้เหมือนกันหมดนะเนีน่ทุกข้อเกิดทุกขพอแก่ทุกขพอเก็บทุกข้อตายเหมือนกันหมดคนรวยก็ตามคนจนก็ตามก็มีทุกอย่างนี้เหมือนกันหมด แต่ว่าใครจะเป็นมากใครจะเป็นน้อยตนเองเพราะฉะนั้นให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตัวเราเนี่ยก็เป็นอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละตกอยูใ่นในกฎหรือตกอยู่ในความจริงตงกอยูใ่ในความจริง นี่แก่มีเก็บมีตายเหมือนกันหมดทุกคนคนที่จะไม่ตายไม่มีคนที่จะไม่ตายนไม่ ม, ม, ม, ต ม, มีตายหมดแต่ว่าช้าหรือเร็วท่านเองถ้าพิจารณาถึงกมตายแล้วยังไม่หลุดพ้นก็ถือว่าต้อง ก็พูดยาเหมือนกันพินาศความตายนี่มันวางมดทุกอย่างทิ้งหมดทุกอย่า ง, างจิตใจรู้ความจริงเห็นชัดเห็นแจ้งในจริงในใจของเราเห็นแจ้งเห็นจริงในใจของเราคนเรานี่ไม่ว่าเขาไม่ว่าเราก็เหมือนกันหมดอันนี้เรียกว่าเทวิปัสสนา แต่ละเทศความจริงธรรมดาทั่วไปมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่เทศให้ถึงเข้าเข้าถึงความจริงที่พระพุทธเจ้าตัดไว้คือความเกิดความแก่ความตายนี่ท่านตัดไว้ความเก็บไข้ได้ป่วยก็เป็นตัวทุกข์เหมือนกันท่านก็ตัดไว้อคนเกิดมาก็เจอเหมือนคนลงน้ําทะเลเนะี่ยที่จะไม่เจอคลื่นไม่มี พื้นแต่ละลูกนี่มันก็ซั์ขาเราผัวผัวเหมือนกันเราเกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกันที่จะไม่เจอความแก่ความเก็บความตายไม่มีเจอมดแต่มากหรือน้อยเท่านั้นเองนี่แหละให้พิจารณาดูให้ดี ที่จะไม่ตายไม่มีเพราะฉะนั้นท่านถึงให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาถึงความจริงอันนี้บ่อยๆเราจะได้ไม่ประมาทในวัยและชีวิตจะได้เร่งทำความดีให้มากขึ้นให้ทานไว้เพราะคนที่จะไปสู่พระโลกนี่มีสเสบียงทางคือบุญกุศล ถ้ามีบุญมีกุศลก็ไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่ความดีความงามถึงแม้มาเกิดอีกก็ไม่ตกต่ำก็มีทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองไม่อดไม่ยากไม่จะเกิดในตระกูลยากจนลำบากเพราะเราไม่ประมาทเราทำความดีไว้ ให้ทานไว้เสียสละเพื่อประโยชน์สุขไม่ใช่ของคนอื่นนะของเราเองอถ้าเราได้ทำบุญนำกุศลไว้นั่นแหละเราทำไว้เท่าไหร่นั่นแหละคือบุญคือสิ่งที่เราจะเอาวัตถุของโลกไปได้ได้ด้วยเราจะเอาไปได้ เราจะเอาสมบัติของโลกนี้ไปได้สมบัติในโลกนี้เนี่ยเราจะเอาไปได้เลยถ้าเราได้บริจาคไว้ทำบุญทำกุศลไว้จะเป็นเงินก็ตามเป็นสิ่งของก็ตามนั่นแหละคือของเราทั้งหมดเราทำอะไรไว้นั่นแหละคือของเราจะสร้างโบสถ์อย่างนี้ผู้บริจาคบาทหนึ่งก็ได้วิมาน เหมือนโบสนี่แหละหลังหนึ่งคนบริจาคร้อยบาทพันบาทก็ได้โบสหลังหนึ่งใบวิมานคือเหมือนโบสถ์นี่แหละสวยงามอย่างนี้แหละหลังหนึ่งเหมือนกันผู้บริจาคล้านหนึ่งสองล้านหรือสิบล้านยี่สิบล้านก็ได้โบสหลังหนึ่งเหมือนกัน แต่ถ้าใครบริจาคบาทเดียวใครมา ก, ก็บริจาคบาทเดียวหลวงพ่อก็ขาดทุนบทก็ไม่เสร็จง่ายแต่ถ้าบริจาคมากก็ค่อยอยังชั่วหน่อย บ, บุก็จะเสร็จเร็วขึ้นในใช้ประโยชน์ในทางพุทธศาสนาเป็นที่เกิดของพระ ต่างกันตรงไหนวะนี่บริจาคน้อยก็ตามบริจาคมากก็ตามก็ได้วิมานหลังหนึ่งเหมือนเหมือนโบสถ์นี่ต่างกันที่รัศมีไม่ได้ต่างกันที่วิมานวิมานสวยงามแต่ว่ารัศมีของวิมานเราให้ด้วยศรัทธาเลื่อมใส มากน้อยเท่าไหร่นั่นแหละเป็นของเราทีนี้วิมานเราก็สว่างถ้าสว่างน้อยก็ได้บริจาคไว้น้อยถ้าสว่างมากก็บริจาคไว้มากคนที่บริจาคไว้มากก็สว่างมากวิมานของเราไปรอเราอยู่สวั์แล้วในพระไตรปิฎกมันก็ตัดไปอยู่ พระโมคขาลาณนะท่านขึ้นไปบนสวรรค์ไปถามเทพเทวดาแต่ละวิมานแต่ละหลังแต่ละหลังที่มีเทวดาอยู่ก็ถามว่าได้วิมานทองงามสดใสอย่างนี้ได้ทําอะไรไว้ก็บอกว่าได้บริจาคทําบุญน้อกุศลหน่ยแต่ในเป็นมนุษย์ทำเรื่องอะไรบ้างก็มีไว้ในนั้นหมดเลยในพระไตรปิฎกในส่วนที่เป็นเรียกว่าชะ เรียกว่าวิมานวัตถุกับเปเตวัตถุวิมานวัตถุอว่าโ ด, ดวยวิมานคือที่อยู่ที่อาศัยเป็นวิมานทองสวยงามอยู่บนสวรรค์ก็ลงมาเล่าให้มนุษย์ฟังมาถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ า, ว, จาว่าท่านไปเห็นเองแล้วไม่จําเป็นต้องมาถามเราจะสาคต ฐานโมคลาไปเห็นเอกหมดแล้วคนที่ไปสู่ภูมันตําบ้านี่ไปสู่นรกก็คือเปตวัตถุคนทําบาปทํากรรมนั่นนี่ไว้ผิดสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยีสิบเจ็ดก็ไปสู่ใบายภูมิไปตกนรกแล้วก็ว่าโอ้ยตกนรกนะ ถ้าเราไม่มีบุญมันก็ต้องไปจริงๆถ้าเราไม่ได้ให้ทานไว้ไม่รักษาสินไว้ไม่ได้ภาวนาไว้เนี่ยเราไม่มีบุญไม่มีกุศลนะเมื่อไม่มีบุญไม่มีกุศลมันก็ต้องไปตามสภาพของกรรมดีกรรมชั่วกรรมชั่วนั่นแหละพาให้เราไปสู่ใบเยภูมิพาให้เราตกนรกหมกไม่ ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโ ล, โ ล, โลกนรกก็เหมือนคนในโลกมนุษย์นี่แหละคนทั่วไปเราไปไหนก็ได้อิสระเป็นไปตามความพอใจของเราเราจะกจะไปอุดรไปขอนแกน่นไปกรุงเทพไปต่างประเทศืออ่อรเราก็ไปได้เหมือนพวกเทพทเทวดาก็ได้เสไิ้สุขเป็นบุญเป็นกุศลมีความสุขความเจริญแต่ผู้ที่ คนเหมือนกันแ่ะแต่ว่ามีความชั่วนี่เขาอาจะไปขังไว้ในคุกตารางขังไว้ในคุกในตารางเพรมานอย่างนั้นแหะจนกว่าจะหมดโทษที่ว่าเราไปทําผิดโทษอันนี้จําคุกเท่านี้ปีเขาให้เราจําคุกอยู่หมดหมดเท่านั้นแหละเราถึงจะได้ออกมา ส่วอิสระภาพจะไปไหนมาไหนจะทำอะไรมันไม่มีอิสระภาพเลยนี่อันนี้มนุษย์เรายังมีชีวิตยอยู่ยังไม่ตายทำชั่วทำบาปไว้เขาก็เอาไปจำคุกจำขังไว้ก็ลำบากทรมานเขาสั่งอะไรให้เราทำเราก็ได้ทำหมด ในคุกในตารางคือว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้ถ้าเราให้ทานไว้รักษาศีลไว้ภาวนาไว้มันเป็นของเราเป็นความดีของเราเราก็จะไปสู่ความสุขความเจริญมีชีวิตยอยู่ก็มีความสุขความเจริญนึกถือวนนึกถึงกุศลที่เราทำไว้จิตใจก็แจ่มแจ้งเบิกบาน สบายว่าเราได้ทำบุญไว้เราก็สบายดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ธรมรมดานะคนเราเกิดมาก็มาทำความดีมาทำความชั่วไว้ในโลกมนุษย์นี่แหละตายไปแล้วก็ไปตาม กรรมดีกรรมชั่วกรรมดีก็ให้ไปสู่ที่พบภูมิที่ดีกรรมชั่วก็ให้ไปสู่พบภูมิที่ชั่วที่เดือดร้อนที่เป็นทุกข์ทรมานอยู่ก่อจะสิ้นบาปสิ้นกรรมที่ตัวเองทําไว้ก็จะมีความทุกข์ความทรมานอย่างนั้นแหละโทษที่ขังนะ นักโทษไว้ในเรียนจับนี่มันยังมันยังน้อยโทษที่คนไปตุกระโลกมันมากมันทรมานแสนสาหัสเลยทำไมถึงกล้าพูดได้อย่างนี้ก็เพราะข้อพุทธเจ้าสอนไว้แล้วบอกไว้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านจึงไม่ให้ประมาทให้ทำความดีไว้ อย่างการภาวนาของเราก็เหมือนกันเทศน์นี่ก็สอนไม่ให้ประมาทนั่นแหละให้ไม่ประมาทในการทําความดีให้พิจารณาถึงตัวตนนี้ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ร้อยปีพันปีเราจะมีอายุอยู่เป็นวันพันปีอะไรงมันไม่ใช่ยุคนี้มันเป็นคนมีอายุแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีเท่านั้เ เกินกว่านั้นไปก็นิดหน่อยไม่มากท่านให้เล่งทำความดีเอาไว้อย่าประมาทกันให้เห็นว่าร่างกายนี้จะต้องเสื่อมสลายแตกดับไปไม่ว่าใครทั้งนั้นเราก็พิจารณามาที่ตัวเราตัวเรานี่ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่มันยังไม่ถึงวันที่จะเป็นเราก็อยู่ในโลกนี้ไปก่อน แต่ในที่สุดวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นท่านก็ให้พิจารณาให้ภาวนาให้ปฏิบัติธรรมถืออาประโยชน์ให้ได้เป็นพระียบุคคลโสราบันสกิทาคานาคารานันจึงจะพ้นจากอบัยภูมิถ้าได้เป็นโสราบันก็พ้นจากอาวัยภูมิ ถ้าว่าปิดประตูอบายได้แล้วเราไม่ไปตกนรกแล้วถ้าเราได้สวรบาลถ้าได้สูงขึ้นไปกว่า น, นั้นยิ่งดีวิเศษขึ้นไปอีกยิ่งมีความสุขความสบายยังมีความสุขความเจริญกว่าอีกนี่ก็ปิดอบายยภูมิได้เด็ดขาดคือเป็นผ้ารหาหันนัได้เด็ดขาดเลยไม่ได้ไปแล้ว แมต่ามาเกิดก็ยังไม่ได้มาเกิดเนาะไม่ได้มาเกิดเลยแหละไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาตินี้ก็เป็นชาติตุดท้ายของผู้นั้นถ้าได้เป็นอารหนะันต์พอเข้าพระนิพพานไปเลยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้อีกขอยพิจารณาอย่างนี้ เราปฏิวัตินี่ก็เพื่อให้เราได้เป็นพระสุรบ น, นั่นแหละรวมถึงอราหาันนั่นแหละโซดาสกิทาคานาค า, า, ารันถ้าได้สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีก็มาเกิดในโลกมนุษย์นี้เพียงชาติเดียวส่วนสุรบันเกิดเก็ดชาติไปอย่างชา้าชาติที่แปดไม่มีไม่ตกตำ่ำ ช ก, กิตาคามีก็มาเกิดในโลกนี้เพียงชาติเดียวก็สาเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนพระโสดาบันก็มาเกิดนี่เกิชาติก็ได้เป็นพระอรหันต์ส่วนนาคามีก็ไม่ต้องลงมาเกิดในมนุษย์ก็สวยสุขอยู่ในที่ผสมบัติในพมโลสุทาวาส อสวยสุขในสุทาวาตพ ม, มโลกถ้าไหนเป็นผ้านาคามีก็ไม่ตกต่ําลองพิจารณาดูให้ดีพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราเนี่ยใครเป็นผู้ไปเสวยกรรมดีกรรมชั่วกายนี้ไปไม่ได้นะกายนี้กายนี้ไปเสวยกรรมดีกรรมชั่วไม่ได้ ตายแล้วก็เผาทิ้งแต่ว่าใจของเราต่างหากเราเป็นผู้ไปเกิดในภูมิดีภูมิชั่วก็ตามก็ใจเราเ น, เนี่ยเป็นผู้ไปเกิดใจเราไปเกิดในภพดีภพชั่วในภูมิดีภูมิชั่วใจเราเป็นผู้ไปไปเกิดก็ใจเราเป็นคนไปเกิด นี่แหละเรามีส่วนประกอบอยู่สองส่วนในตัวเราเนี่ส่วนหนึ่งเรียกว่ารูปส่วนหนึ่งเรียกว่านามคือไม่มีตัวมีตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างเหมือนตัวบุคคลเราธรรมดานี้แต่เป็นทิพย์ไป เป็นรูปร่างรละเอียดเหมือนเทศเทวดาเนี่ยถ้าตายก็หายวับไปเลยถ้าจึงเรียกว่าจุติหายวับไปเลยถ้านยังไม่ตายจากสวรรค์ก็ยังไม่จุติก็อยู่ในสวรรค์ เ, เหมือนมีตัวมีตนเป็นรูปเป็นร่างคนเราเกิดมาก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคน มีรูปมีน้ำนี่แหละรูปก็คือร่างกายของเราต้องให้อาหารต้องให้ไออุ่นร้อนเกินไปก็อยู่ไม่ได้หนาวเกินไปก็อยู่ไม่ได้รูปอันนี้แตกดาบด้วยความร้อนความหนาวรูปไก่นี่ ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุดินก็อยู่ในนี้แหละเกษาโลมานาขาทาตาตาตะโจตะโจนนี่แหละเนื่อหนังวางสานี่เป็นธาตุดินธาตุน้ํำ น้ำดีน้ำเศดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหูกน้ำลายน้ำหมุดก็ในตัวเราเนในรูปขัดใ น, นนี้แหละธาตุลมธาตุไฟมลมในซ่องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายของรูปนนี้ความอบอุ่นคือไฟ ไฟยังกายให้เล้าร้อนไฟเผาอาหารให้ย่อยอไฟนี่ก็ค่อยไฟธาตุนี่ก็ค่อยอยู่ในนี้แหละในตัวเรานี่แหละในธาตุในรูปอันนี้แหละในธาตุในขันอันนี้แหละเวทนาอันนี้เป็นอาการของใจหรือของนามเวทนาคือการรับรู้ เป็นสุขเป็นทุกข์สบายไม่สบายรับรู้เวทนาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้อย่างมาแตะต้องกายนี่ก็เอออุ่นเย็นรับรู้ความร้อนความหนาว รับรู้เวทนาต่างๆสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งก็เป็นเรื่องของใจเหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็คือใจคือความรู้รับรู้เป็นผู้รู้เรียกว่าใจ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ขันห้าท่านียว่าขันห้าเป็นส่วนส่วนรูปก็เป็นรูปที่นอกเนื้อจากนั้นก็เป็นนามนี่แหละประกอบส่วนกันอยู่อย่างนี้เราจะมาเกิดกี่ครั้งกี่หนถ้าเรายังไม่พ้นทุก เราก็ได้เจอ ร, รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นันนี่อยู่ดีบ้างไม่ดีบ้างตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งนั้นๆให้พิจารณาดูว่าตัวเรานี่ประกอบสวนอย่างนี้แหละมีรูปกับนามเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอินเวนพรมก็ใจเราเป็นผู้ไป ไปตกนรกหมกไหม้ก็ใจเรานี่เป็นคนไปเพรา ะ, ะนั้นท่านจึงไม่ให้ทําความชั่วเพราะความชั่วพาไปสู่ไบายาภูมิความดีพาไปสู่สุคติสวรรค์ทิจนาเข้ามาที่ตัวเราเราได้ร่างกายนี้มาจากวีดามันดาของเราสมบัติทุกอย่างเราได้พ่อหมด สมบัติจกกักรพรรดิก็ได้เพราะมีรูป น, น, นี่แหละมีกายนี้มีใจนี้แหละสมบัติพระราชาก็เหมือนกันสมบัติเศรษฐีมหาเศรษฐีพ่อแม่เราให้มาหมดแล้วเราก็ทำเอาให้มามดสมบัติได้รับความดีได้รับความชั่วได้รับบาปได้รับบุญ ก็เพราะเราที่จะทำต่อไปบิดามารดาของเราให้มาหมดแล้วสมบัติทุกอย่างที่เราได้นี่เกิดจากบิดามารดาเพราะฉะนั้นใครฆ่าบิดามารดาจึงไปตกอเวจีมหานรกเรียกว่าอนันตริยกรรมฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหรันทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห่อทำสงให้แตกสามัคคีกัน กำรรห้าอย่างนี้เป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักทำบุณอะไรก็ไม่พ้นต้องไปสวยทุกขในในรกหมดเลยอเวีย์จีมหารกนะไม่ใช่มารกธรรมดาคาถาใครฆ่ามารดาฆ่าวีดาฆ่าพาาระาอารหันต์ทำร้ า, ายพุทธเจ้าจนพระโลหินห้อทำสงฆ์ให้แตกสามัคคีกันนี ทำมูลอะไรก็ไม่ไม่พน้นเหมือนพระเจ้าอชาตาิสตูนทำมูลไว้ในพุทธศาสนา ม, มากมายที่สุดเลยฟังตามครูทีเจ้าก็ไม่ฟังสามัญจะผลสุดทำฟังธรรมของพรูทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นสุรบันตายแล้วต้องไปไหมในอเวจีมหานรกแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือได้ทําความดีไว้มากก็ได้ไปตกกลุ่มที่เรียกว่าเป็นบริวารของอเวจีคือโลหะกุมพีนรก พระเจ้าอาศาตตัไม่ตกอเวจีนะแต่ตกนรกที่เป็นบริวารของอเวจีหมานรกคือโลหกุมพีนรกแต่นี้ก็ยังเสวยทุกข์อยู่หัหมื่นหกมืน่มนปีนี่พระเจ้าอาศาตตัก็จะได้โผล่ศีรษะขึ้นมาพ้นจากความนรกเรืนะ่องเนี่ย หน้อยนึงเดี๋ยวก็ลงไปอีกหกหมืนปีแล้วก็ขึ้นมาเหมือนเม็ดข้าวสารที่เราต้มนะ่อยเดี๋ยวก็ลงไปข้างล่างเดี๋ยวก็ขึ้นมาข้างบนขึ้นๆลงๆเงี้ย น, นี่แหละหกหมื่นปีจึงได้พ้นขึ้นมาครั้งหนึ่งไม่ได้พน้นมาเกิดนะคือได้โผล่ขึ้นมาปากหม้ออะไงี้ยเดแล้วหกละหกหมื่นปีก็ดำลงไป ถือกดหม้อแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะได้พ้นทุกไม่เรียกว่าเป็นกับเป็นการหลอกมันมันเป็นอันแต่ละกับมันเป็นนั่นไปนเลยนานมากอืบิดามารดาให้สมบัติทุกอย่างแก่แล้วถ้าเราฆ่าบิดามารดาเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมอันนัก ไม่สามารถได้บรรลุมรรคผลบวชพระก็ไม่ได้นะถ้าทําอะไนติดกรรมแล้วจะมาบวชพระท่านก็ไม่อนุญาตให้บวชไม่ให้บวชเลยคนฆ่าพระรหันย์ยังก็ไม่ให้บวชคนฆ่าบิดามารดาก็ไม่ให้บวชคนทำร้ายพรุทธเจ้าก็ไม่ให้บวชอย่างพระเทวทัตเนี่ยทำร้ายพรพุทธเจ้า พยายามทุกวิถีทางที่พระพุทธเจ้าตายวันหนึ่งก็พระพุทธเจ้าเดินลงไปพระเทวาทัตก็อยู่บนเขาคิดจะกูดงัดก้อนหินจากผู้เขาคิดกูดลงมาหวังใจะให้ทับพระพุทธเจ้าแต่ก็มาประท่ากับก้อนหินที่อยู่ข้างๆเขาคิดจะกูดสะเกตมัน กระเด็นไปถูกเท้าของพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตไม่มีใครทำร้ า, ายพุทธเจ้าให้แตกให้เป็นแผลเป็นนั่นนะคือสูงสุดแล้วห่อพระโลหิตเป็นบาปมากเป็นกรรมหนักพระเทวทัศน์ก็ไปไม่ได้ธรรมดาต้องไปเสวยกรรมในมหานรกอีกนานแสนนาน สมบัติทุกอย่างมีดามานดาให้มาเราเป็นคนประมาทไปทำบาปทำกรรมเหล่านี้เข้าก็เรียกว่าทำกรรมชั่วที่สุดถ้านจึงเรียกว่าอันตรริยกรรมกรรมอันหนักอันชั่วชั่วที่สุดให้เราพิจารณามาที่ตัวเรา จะได้เป็นพระฤบุคคลก็เพราะว่าได้ฌานได้สมาธิได้โสดาบันได้สกิทาคาอนาคาค า, ารหันบิดามันดาของเราก็ให้ร่างกายนี้มาแล้วให้กิจใจนี้มาแล้วได้มาแล้วกิจใจเรามาซื้อผลสุนที่เอานี่แล้วเอาสมบัติอันนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ ให้คุณธรรมเหล่านั้นมาอยู่ในใจเราก็หวังที่จะให้เราในความสุขความเจริญนั่นเนี่ยไม่ต้อมาเกิดในกองทุกข์อเดือดล้นในโลกในวัฏสงสาร น, นั้อีกให้พ้นไปทาจึงให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็มีทำกิตให้สงบสามวันที่ผ่านมาเราก็ทํากิตให้สงบแล้ว ทำกินให้สงบแล้วสำหรับวันนี้ก็ให้พิจารณาถาดขันตัวตนของเรานี่เราเกิดมาอย่างไงเป็นทุกข์แค่ไหนเราแก่เป็นทุกข์แค่ไหนเราเก็บเราตายเป็นทุกข์แค่ไหนให้พิจารณาให้เห็นตัวตนอันนี้เป็นของ ไม่กิรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปให้เห็นชัดเห็นชัดขึ้นมาในใจของเรานี่แหละเราถึงจะว่างความยึดความถือได้จึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ เราก็จะเห็นการดำเนินไปตามอริยมรรคภิอบแปดนี่เป็นทางอันที่จะให้เราพ้นจากความทุกข์ถ้าพูดในสั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาเองหรือพูดตามที่พระพุทธเจ้าเลี้ยงไว้ก็เรียกว่าปัญญาศีลสมาธิถ้าเราทำให้ได้ตามนี้เราก็หนีจากกองทุกข์ได้ล้วก็พ้นทุกข์ได้ สัมมาทิฏฐิพิาณาเห็นอะไรพิณาเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายเนะี่ยให้เห็นเป็นของมีอยู่ประจำํำก็เรียกว่าทุกประจําอืให้พิจารณาให้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดให้มีศีลถ้าไม่มีศีลบุญกุศลก็เข้าถึกใจไม่ได้ แต่ถ้ามีศีลบุญกุศลเข้าถึงใจคนฤทิษฐานกุศลให้บุญก็เข้าถึงใจเราเลยเพราะอะไรเพราะเรามีศีลศีลนั้นรักษาเราตตวตอนนี้เรารักษาศีลแต่พอเราทําเป็นชีวิตจิตใจแล้วมันกับรักษาเรารักษาเราไม่ให้ตกไปสู่ภูมิันต่ำให้มีแต่สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่ มันเป็นอย่างนี้ปัญญาก็ให้พิจารณาสมาธิก็ให้ทำให้ดีมันก็พ้นทุกข์ทันตัวแล้วก็นี้จากกองทุกข์ได้แล้วเพราะเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยท่านจึงว่าสู่ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสงฆ์นั้นไม่ได้หมายถึงภิกษุนอย่างเดียวหมายถึงบุคคลผู้ปฏิบัติทั้งหมดนั่นแหละทั้งชายหญิงทั้งฆราวาสทั้งผู้ปฏิบัติตามมาร์กแปดทั้งพระทั้งเนรทั้งชีทั้งขาวทั้งฆราวาสชายหญิงใครปฏิบัติตามมาร์กแปดใครเป็นสุ ป, ปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็คือผู้ปฏิบัติตามอริยมรภิโมงเปรตนั่นผู้ปฏิบัติตาม น, นั่นแหละตามอริยมรภิโมงค์รต น, นั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติดีโยมก็ปฏิบัติดีละได้ด้วยโยมผู้หญิงก็เหมือนกันโยมผู้ชายก็เหมือนกันก็เป็นสงสาวกของพระผู้มีพระเจ้า ปฏิบัติดีแล้วถ้าปฏิบัติตามศีลตามสมาธิตามปัญญาหรือตามอรอยิยมรรคปิองแปดนี่ไงก็เชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วโยมก็ปฏิบัติดีแล้วได้เหมือนกันพระก็เน้นพระเน้เนก็เหมือนกันไม่ขาไม่กีก็เหมือนกันก็เชื่อว่าผู้ปฏิบัติดีแล้วก็เรียกว่าสงสารบกของพระเจ้า พวกเราก็เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้าอยู่นี่ก็เป็นสงสาวกของพระผู้มีพุะภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วใครปฏิบัติดีคนนั้นก็เรียกว่าเป็นสงสาวกของพระผู้มีพุะภาคเจ้าปฏิบัติดีก็คือตั้งแต่เริ่มหัดสมาธิเริ่มพิจารณาร่างกายธาตุขันตัวตนพิจารณาบาป บ, บุญคุณโทษดีชั่ว เรื่อยมาจนนึกว่าจนได้เป็นสงสาวกของพระภูมิว่าพระเจ้าคือบรรลุมรรคผลนี่ใครปฏิบัติคนนั้นก็ได้ใครไม่ปฏิบัติคนนั้นก็ไม่ได้ก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าก็คือเห็นความกิงทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าสงสาวกหรือว่าสุ ป, ปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีแล้ว เรามาทำอยู่นี่เราเรียกว่าผู้ปฏิบัติดีแล้วแล้วผู้ปฏิบัติดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เห็นสมควรก็บเวลาแสดงทำมาก็ข อ, อยุติไวเพียงเท่านี้ให้ทุกท่านทุกคนภาวนาต่อไป